สำหรับการวิธีแก้ง่วงวิธีที่ดีที่สุดก็คือพยายามเดินหามุมที่สว่างนะแต่ว่าวิธีที่เสี่ยงที่สุดก็คือหันหน้าไปคุยกันเมา่าไหนง่วงก็จริงแต่ว่ามันจะพเพลินไปพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าอาจจะคุยกันนี่จะไปนอนจะดีกว่านะคือจะว่านอนเนี่ย <c oughs> มันก็ไม่ต้องกวนไกเหมแต่ถ้าคุยกันมันจะกวนอีกคนหนึ่งนกว่าอันนี้ก็คือการวิธีแก้ให้กระทบฝ่ายเดียวกระทบฝ่ายเราฝ่ายเดียวอในวิธีการเจริญสติแบบวัฒนเทียนเนี่ยเราจะเห็นว่ า, าที่ท่านสอบอารมณ์เราจะเห็นว่าท่านจะใช้วิธีการต่างๆที่เป็นรูปธรรมจะไม่อพูดถึง โดยสภาวะโดยตรงนะแต่ถึงรูปธรรม ท, ที่เป็นลักษณะที่เห็นที่เป็นรูปธรรมว่าจิตใจของเราเมื่อมันไปคุกอยู่กับความคิดและอารมณ์ต่างๆมันก็เมาออยู่ในห้องขังมันหาทางออกไม่ได้แต่คนก็จะหาทางออกแต่ไม่รู้จักทางออกแต่เมื่อเราค้นหาในทางที่ถูกทางของมันแล้วก็วันหนึ่งเราคงจะเจอมันไปเจอประตู ทั้งที่ก็อยู่ในมันอยู่ตูอยู่หรอกแต่บางทีเราก็ไม่ได้ค้นหามาอย่างจริงจังต้องค้นหาหลายรอบว่าทางออกที่ถูกทางออกที่ถูกไหมครับว่าออกจากห้องนั้นไม่ใช่ว่าทางออกแบบกลับเข้าไปอยู่ในห้องนั้นอย่างที่เราหาทางออกจากาความคิดและความทุกข์ของเราคือออกอที่หนึ่ง ออกจากมุมห้องอันนี้ไปอยู่มุมห้องนี้ออกจากมุมห้องนี้ก็มาจากมุมห้องนี้ก็เหมือนถึงว่าเราเวลาเราไม่สบายเราเ บ, รเราเบื่อเราเซ็งมาแล้วก็หาของเล่นจากชิ้นนี้ก็ไปเปลี่ยนของเล่นชิ้นนั้นจากเบชิ้นนี้ก็นั้นก็เราไม่สามารถจะออกจากห้องนั้นได้เลยนะเราเพียงแต่เบื่อสิ่งหนึ่งไปหาสิ่งหนึ่งเบื่อสิ่งหนึ่งไปหาสิ่ง แต่เราไม่ได้เบื่อห้องนั้นที่เราอยู่แต่เราเบื่อของในห้องนั้นเหมือนกันเราไม่ได้เบื่อที่จะคิดแต่เราเบื่อเรื่องที่จะคิด <sk r isa> แล้วก็เปลี่ยนเรื่องนี้ก็ไปหาเรื่องนั้นเปลี่ยนเรื่องนี้ก็ไปหาเรื่องนั้นนะแต่ถ้าหากว่าต้องการที่จะออกจากห้องนั้นทั้งหมดไม่ว่าในห้องนั้นจะมีของดีวิเศษขนาดไหนฉันก็ไม่เล่นด้วย จะเป็นเงินเป็นทองเข้าของเงินทองเพชรนิจินดาก็ไม่เอาด้วยฉันอยากจะเจากห้องนี้อย่างเดียวแต่ถ้าเรายังไม่เจริญวิปัสนาเพียงแต่เปลี่ยนของเล่นไปเท่านั้นเองเปลี่ยนจากเบื่อสมบัติก็ไปหาเพื่อนเบื่อจื้เพื่อนก็ไปหาเที่ยวเบื่อจากเที่ยวก็ไปหาช้อปปิ้งเบืช้อปปิ้งก็ไปหา อะไรใหม่ๆมาตอบสนองความอยากเราจะออกจากห้องไม่ได้นะแต่นในบ้านในเดือนของเราจะมีของเล่นเต้มไปหมดนะสารพัดยาวแต่วิธีการออกแบบลวงพ่อเทียนก็คือออกจากห้องหาประตูออกให้เจอแล้วโลกข้างนอกห้องนั้นกว้างขวางมากมายมีสีสันมีแสงสว่างมีที่จะไปไม่มีที่สี่นสุดนะ เราก็เมือกันเทาออกจากความคิดออกจากอารมณ์ออกจากราคาโทสะออกจากมานะทิฏฐิอะไรต่างๆนะไปสู่อิสรภาพที่จิต ท, ที่เต็มไปด้วยภาวะตื่นรู้เบิกบานมันได้เห็นสิ่งใหม่ๆตรการ ห, หูตรกา ร, ต, ร, การตา <c oughs> แทนที่เราจะหมกมุ่นคุ้นคิดอยู่ในโลกของเราเองเราก็ออกจากมันนะนั่นคือวิธีการท่านบอกว่ามันเอากุญแจมาไขาใดู ถ้าหากว่าเราหาทางที่ไม่ถูกก็เหมือนล็อกตัวเองอยู่ในห้องนั่นแหละแต่หาทางที่ถูกเหมือ น, นละมุนกุญแจเมื่อเราไขเป้ะออกมาอั น, นี้ก็เป็นกุญแจลูกเอกเดี๋ยวนี้วิธีการรู้เทียนลงก็ไปในสิงคโปร์มาเลเซียจีนนะที่ลูกศิษย์เราหาผ่ากันออกไปซึ่งก็สอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่แล้เป็นวิธีการที่ เรียกว่าคนทุกชนทุกชั้นสามารถปฏิบัติได้เมื่อวานนี้เราได้คุณฟังคุณมาริสาซึ่งเป็นคนที่อยู่ในสังคมอีกแบบหนึง่งสังคมอย่างอเมริกาเนี่ยสารพัดอย่างนะความกดดันทางดินฟ้าอากาศความกดดันทางกติกาทางสังคมความกดดันทางาประกอบวิชาชีพธรรมาหากินอะไรเนะี่ยก็อีกแบบหนึ่งนะ ที่นี้เราจะมาฟังอีกแบบหนึ่งซึ่งวิธีการเจริญสติบังเรียนต้องการให้ฟังประสบการณ์จริงเราจะไม่เอาตัวทฤษฎีมาว่ากันมากนักว่าตัวความจริงที่ที่เราต้องการสัมผัสคือว่าในชีวิตจริงจริงวิธีการปฏิบัติแนี้จะปฏิบัติได้ในแง่มุมไหนทำอย่างไรซึ่งวันนี้อย่างแม่สุ จิตราหรือแม่วเนี่ยเป็นคนบรร น, นอกเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงเรียกว่าครอบครัวมาแล้วก็ฝึกตัวเองด้วยหรอฝึกลูกฝึกลานไปในทางเดียวกันได้ด้วยทำมาหากินไปด้วยฝึกตัวเองด้วยฝึกลูกฝึกลานไปในที่สุดก็พึ่งตัวเองได้ลูกหลานก็พึ่งตัวเองได้ในซึ่ง เป็นครอบครัวที่เรียกว่าจนๆจธรรมดาแต่ฝึกลูกฝึกลานเรียนได้ดีเรียนได้ทุนโดยที่ไม่ต้องพ่อแม่ไม่ต้องลา บ, บากเลยนี่คือธรรมะช่วยซึ่งคนทำได้ถ้าจะทำแต่ส่วนวิธีทำไม่อ้วนทำอย่างไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพื่อคนของคนต้องการไปใช้บ้างเอาไม้เดี๋ยวนะั้นไปน่ไปท้ายนันีนีเ้น เ, เราหันหน้ากลับไปนั่งบนโซฟาได้ มาเท่านี้ไม่อ้วกขาแห้งขาม่นค่อยดีนะก็เลยเดินไปลำบากก็เคยปฏิบัติกับมาอยู่หลายปีเกือบสิบปีนั่งไปม า, มาเป็นแม่ครัวด้วยพูดธรรมะด้วยฝึก เ, เก็บสอนคนด้วยเรียกว่าคนที่ทำหน้าที่ช่วยหลวงพ่อนี่ต้องทำครัวให้ได้ด้วยนะแล้วก็พูดธรรมะด้วยให้ธรรมะเป็นซึ่งเราทั้งหลายก็น่าจะทำหน้าที่ได้หลายอย่าง ไม่ใช่ว่าทําหน้าที่เป็นแม่บ้านแม่ครัวอย่างเดียวแต่ว่าสอนธรรมะไม่ได้ก็น่าจะต้องทํานดะูหรือว่าเราทั้งหลายจะได้ทําหน้าที่เป็นพระธรรมทูตนะเป็นธรรมทูตเป็นในตัวทำหน้าที่ได้หลายอย่างทั้งทั้งโลกก็ทําได้โลกุตก็มีโล ก, กีก็ได้ชีวิตแล้วก็คุ้มที่เราได้เกิดมาเราก็ลองฟังดูนะเป็นการได้เปลี่ยนนะเพื่อเราจะ เอานําเอาตัวอย่างชีวิตบางส่วนไปใช้ได้ขอเชิญวันขอน่อมน้อมแด่พระรันตนตรัยขอน่อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบน้ำสการหลวงพ่อผู้เป็นประธานสงฆ์และครูบาอาจารย์ทุกลูกก็ ต้องขออาภัยในภาษาก่อนนะคะเป็นคนบ้านนอกเดี๋ยวหนังสือจบป .4 พูดไทยไม่เป็นนะคะอันนี้คือขออาภาัยให้ก่อนที่พูดมาก็มีเพื่อนที่พูดได้เนี่ยก็คือมีญาติธรรมเนี่ยเป็นคนไทยมากแล้วก็งูงูปลาปาไปกับท่านก็เลยพอพอได้พอไปได้นะคะ ก็ถี่ว่าขอรายงานตัวก่อนนะคะว่าไม่ว่าเป็นคนที่ไหนไม่ว่าเป็นคนบ้านนอกเป็นคนอำเภอเจ้งขอจังหวัดชายภูมินะคะนอกกริ่งเลยคะ่ะการเรียนหนังสือก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนบัตร แค่ป .4 เรียนสามปีทำไมเรียนจบสามปีตอนนั้นไม่ทราบว่าทำไมจบสามปีตอนนี้ทราบแล้วคะ่ะว่าเพราะอะไรเพราะบุญเพราะมีบุญมาก่อนเพราะมีสติเพราะมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาเรียนหนังสือไม่เก่งใช่ไหมคะถ้ามีปัญญาเรียนหนังสือก็เก่งตัวนั้นคือบุญนะคะแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าตัวนั้นคือบุญ นะคะแล้วที่นี่เกิดเป็นอยู่บ้านนอกเกิดเป็นลูกคนจนแล้วก็การใช้ชีวิตนี้ลำบากการใช้ชีวิตลำบากเกิดมาเป็นเป็นลูกคนจุดท้องของพ่อแม่เป็นผู้ที่ลูกผู้ที่สิบสองอเกิดมาสามเดือนพ่อก็เสียชีวิต ต่อมาก็แม่ก็มาเสียชีวิตแต่งงานในลูกห้าคนสามีก็เสียชีวิตการดิ้ น, นรนทำมาหากินเลี้ยงลูกคนเดียวค่ะสิ่งนี้ล่ละค่ะผลักดันให้แม่อ้วเข้ามาในอ่านพุทธศาสนาอะไรผลักดันความทุกข์ ความดิ้ น, นรนทำอาหากินสมัยก่อนเนี่ยเงินไม่มีนะคะปลูกกล้วยที่นาขายวีละห้าจิตตะตังกล้วยวีละห้าจิตตะตังมีเงินสิบบาทยี่บบาทก็ถือว่ามีเงินมากได้เงินไม่เกินยี่บบาทก็เป็นก็มีอาการป่วยในครอบครัวขึ้นมาก็เอาไว้ซื้อยาฉีดยาเท่านั้นล่ะคะ่ะไม่มีอะไร ทำนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเท่านั้นไม่มีอะไรไม่มีอะไรเสริมไม่มีเงินจะซื้อกินไม่มีอะไรจะขายก็หากินไปทำธรรมดาอันนี้คือชีวิตที่ลาบากมากการเลียงลูกก็เลยลาบากไม่พออยู่ไม่พอกินต่อมาสามีก็เสียชีวิตนี่ก็ยิ่งลาบากมากเลยนะคะแต่ในความชิดเนี่ยมันก็มีความชิดแปลกๆว่าทาไมถึง ไม่อยากไม่อยากจนทําไมถึงเบื่อชีวิตมันเกิดอาการเบื่อชีวิตขึ้นมานะคะช่วงสามียังไม่ตายเนี่ยเกิดมีอาการเบื่อชีวิตขึ้นมาครั้งครั้งแรกเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างเลยเบื่อการทำมาหากินเห็นการทำมาหากินเนี่ยเห็นเขาสบายสบายก็อยากสบายเหมือนเขาแต่เราสบายไม่ได้เพราะไม่มีอะไรจะกินแล้วพอมัน มันคิดว่าทําไมคนเนี่ยอ่าเกิดขึ้นมาเดียวดิ้นรนทำอาหากินตื่นเกินตื่นขึ้นมาก็ไปไปทําทํางานทําแล้วก็เอามากินกินแล้วก็มาโทษนะคะมาถ่ายออกนะในความคิดนะคะกินแล้วก็ถ่ายกินแล้วก็ถ่ายถ่ายแล้วก็กินกินแล้วก็ไปทําทําแล้วก็มากินกินแล้วก็ถ่ายออกมีแค่นี้เหรอชีวิตมีแค่นี้เหรอ ม, มันถามอยู่ใ น, ใ, นใจนะคะคิดนี้มันก็เบื่อเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่มองเห็นเบื่อลูกเบื่อผัวเบื่อตัวเองเบื่อชีวิตจะออกจากบ้านก็ไปไม่ได้คิดจะออกหนีจากบ้านเพราะเบื่อมากไปไม่ได้กลางคืนนอนไม่หลับลุกขึ้นมาตื่นนอนแล้วตื่นขึ้นมานอนไม่หลับแล้วก็คิดจะออกจากบ้านตอนกลางคืนลูกกับ ผวนอนอยู่มองดูเขาแล้วจะไปก็ไปไม่ได้สงสารเขาก็ต้องทนต่อไปอีกอยู่เป็นอย่างนั้นอยู่หลายเดือนแต่อาการนั้นก็หายไปแต่ต่อมานะคะดึงกระทั้งว่าสามีมาเสียชีวิตเนี่ยต้องดิ้ดนรนหาเลี้ยงลูกห้าคนเพื่อที่จะ แนวความคิดไม่อยากจะให้ลูกลาบากเหมือนตัวเองเพราะเห็นตัวเองลําบากอยากจะให้ลูกเนี่ยได้ทําการทํางานมีอาชีพดีๆเหมือนกับชาวบ้านเขาก็ดิ้นรนหาเงินเอาทุกสิ่งทุกอยาก่างที่ลูกจะได้เรียนหนังสือเขาก็ได้เรียนหนังสือนะคะเรียนก็เก่งนะคะเขาก็ได้เรียนหนังสือเก่งๆผู้ผู้ที่ไม่ได้เรียนก็มีผู้ที่เรียนก็ก็มีนะคะแล้วที่นี้ช่วงใช้ชีวิต อาจจะชีวิตต้นชีวิตเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายการสะสมความทุกข์มาตั้งแต่แม่ตายสามีตายมาเลี้ยงลูกคนเดียวแล้วก็มามีอ่ามีความขัดแย้งกับพี่ๆเรื่องอมรดกนะคะเรื่องที่ ท, ท, ที่ไร่ที่นาเกิดความ ไม่สบายใจเกิดความสับสนวุ่นวายเป็นความชิดที่สับสนวุ่นวายขึ้นมาหลายระดับหลายขั้นหลายตอนสะสมมาสะสมมาจนกระทั่งว่าได้ดิ้นรนทำมาหากินอมาออกจากบ้านเกิดมาอยู่ที่ตลาดแล้วก็ลูกก็มาไปทํางานมาทํางานอยู่ที่กรุงเทพเขาก็ แต่งงานมีลูกเอาลูกเอาลูกไปให้ยายเลี้ยงนะคะสามคนลูกสาวสองคนคลอดลูกพร้อมกันลูกสาวสองคนคลอดลูกพร้อมกันคนละวันวันอาทิตย์กับวันจันทร์อเอาไปให้ยายเลี้ยงสองคนนะคะปีสามเกศปีสี่ศูนย์อีกสองคนคลอดออกห้องคลอดพร้อมกันสองคนอีกปัจจีบ เขาเขาแยกกันกับสามีเขาเนี่ยพอคดคู่ที่สองเขาก็แยกทั้งสองคนเลยมันทําไมถึงแยกเพราะว่ามันเป็นเป็นกรรมของยายอั้วนะคะเป็นกรรมของของยายของแม่อั้วนเนี่ยนะคะต้องไปเลี้ยงหลานเลี้ยงการการเลี้ยงหลานเนี่ยที่ทุกสะสมมามาเลี้ยงหลานเนี่ยทั้งลูกชายคนเล็กเนี่ยก็ไปเรียนหนังสือทั้งเลี้ยงหลานทั้งขายของหน้าบ้านขายทุกสิ่งทุกอย่างขายขายตามบ้านนอกนะคะขายแบบ อกับอ่าก๋วยเตี๋ยวข้าวกับข้าวตามสั่งหรือข้าวสาเร็จอะไรของชําอะไรขายไม่ใช่ร้านใหญ่ร้านโตเตี๋ยขายขายทุกอย่างนะคะแต่ที่เลี้ยงเลี้ยงหลานไปด้วยความลําบากตอนนั้น่ะจะขนาดไหนเด็กอยู่ในบ้านสองคนสามคนเนี่ยหน้าบ้านข้อขายของแล้วมันจะเป็นยังไงให้พวกท่านคิดตัวออกก็แล้วกันนะคะอันนั้นความทุกข์มันเป็น ตนเป็นตัวขึ้นมาเลยนะคะกิจมันดิน้นกิจมันเป็นทุกข์เห็นกิจเป็นทุกข์เห็นกิจดิ้นที่นี่ทุกข์มากๆคิดไม่ออกสับสนวุ่นวายร้องอยู่คนเดียวทั้งร้องออกเสียงทั้งร้องในใจความทุกข์สะสมสะสมมาเดินจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านเดินไปเดินมาเหมือนกับบ้าเลยค่ะเป็นบ้าจริงๆตอนนั้นนะคะร้องในใจบอกว่า ในโลกนี้มีใครเป็นทุกข์เหมือนฉันไหมฉันเป็นคนฉันเป็นทุกคนเดียวในโลกไม่มีใครเป็นทุกข์เหมือนกับฉันฉันเป็นคนเดียวเท่านั้นเป็นทุกข์ในโลกมีฉันคนเดียวเท่านั้นที่เป็นทุกข์อยู่ในโลกร้องไปร้องมานะคะอันนั้นก็เป็นทุกข์มากนะคะทุกข์มากๆเนี่ยใจเนี่ยมันดิ้นดัดดดเหมือนเหมือนกับหางจิ้งเหลนมันขาดออกจากตัวมันนะคะจิตใจมันดิ้นดิ้นมากเลย แล้วที่นี่พอพอมันทุกข์มากๆเนี่ยมาถึงปีสี่สองอ่าก็เลยมีญาติที่บ้านเนี่ยเขาเสียชีวิตเขาเกิดมาพร้อมกันเป็นลูกพี่สาวเขาเสียชีวิตก็ไปดูเขาพอไปดูพอไปดูเขาเนี่ยเขาก็เขาเสียชีวิตนะคะเดีย๋ยวาไปเอากระดูกอธิ น, นะคะเข้า พาธานะคะพอดีที่วัดเนี่ยมีลูกศิษย์หลงพ่อเทียนลูกศิษย์ต้นของหลวงพ่อเทียนซึ่งเป็นญาติกันท่านไปออกโรงเรียนพร้อมกันเนี่ยท่านไม่ทราบว่าไปไหนมาท่านไปปฏิบัติธรรมมาแล้วท่านก็อ่าเป็นท่านไปบวชปฏิบัติธรรมาแล้วก็ดูกิริยาการของท่านที่ท่านกลับมาเนี่ยมันน่าศรัทธาคิดว่าท่านจะเอาทุกข์ของตัวเองออกได้ ก็เข <rane S 2> ้าไปหาท่านเลยร้องไห้ไปเลยนะคะเพราะว่าจ si ิตแม่อ so like, ้วนตอนนั้นอ่ะเป็นจิตที่ร้องไห้เป็นจิตที่ร้องไห้อยู่ตลอดเวลาคําพูดออกมาเสียงมันสั่นไปเลยพูดกับใครก็ช่างพูดอะไรก็ช่างเสียงมันสั่นไปทั้งวันเพราะว่าจิตมันร้องไห้นะคะเป็นทุกข์มากนะคะพอเข้าไปหาพระเนี่ยก็เข้าไปก็ร้องไห้ไปบอกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อยอมเป็นทุกข์มากยมเป็นทุกข์มาก อาทุบอะไรระโยมออ้หลวงพ่อเพราะว่าลึกๆในกิดเนี่ยลึกๆในกิดบอกมันมันมีคำถามอยู่ในกิดว่าอาคนเราเกิดมาทำไมมาดิ้นลนทรมาหากินกินมาดิ้นลนนทรมาหากินแล้วก็เก็บแล้วแก่ตายพัดผ่าจากกันไปมันมีคำถามอยู่ในกิดลึกๆแต่มันหาคำตอบไม่ได้ทีนี้ก็เอาตัวนี้เราไปไปถามไปตอบไปถามหลวงพ่อว่า ทำไมคนเราเกิดมาต้องมาดิ้นรนทำมาหากินแล้วก็เก็บเกะตายพัดพากจากกันไปหลวงพ่อก็บอกว่าโมทนาสาธุสาธุท่านยกมือขึ้นนะคะโมทนาสาธุสาธุสามครั้งท่านบอกว่าอ้าเราก็เอ่ยใจว่าทำไมเราทุกข์จะตายทำไมพระถึงมาซ้ําเติมกันนะคะเพราะไม่เข้าใจหลวงพ่อท่านก็พูดไปว่าโยมมันมาถูกทางแล้วโยม ทุกข้องโยมเนี่ยเหมือนกับทุกข์พระพุทธเจ้าแหะทุกข์พระพุทธเจ้าก็เห็นการเกิดแก่เก็บตายเหมือนกันกับทุกข้องโยมนี่แหละมาทุกทางแล้วโยมโยมอยากหายทุกไหมอยากหายอยากหายเจ้าค่ะถ้าโยมอยากหายทุกยมต้องมาสร้างจังหวะสิจังหวะถ้าโยมไม่มาถ้าถ้ายมไม่มายกมือสร้างสิตจังหวะสิีจังหวะเนี่ยโยมจะไม่หายทุกโยมจะเป็นถ้าโยมไม่เสียชีวิตโยมจะเป็นบ้าตาย มันก็กิงอย่างท่านว่ากําลังจะเป็นบ้าตายโลกความเครียดโรกกับพาะอาหารเกิดขึ้นสองโรคในขณะเดียวกันเหมือนจะตายเหมือนจะไม่มีชีวิตเหมือนชีวิตจะหมดในขณะนั้นนะคะพอท่านว่าอย่างนั้น อ, อยากจะหายทุกข์ก็เลยยกมือสร้างจังหวะกับท่านไม่ถึงสินาทีท่านก็เขาเข้ามาอั น, นิมนต์ท่านไปเอาอธิเข่าวธาตุก็ท่านก็เลยเอาหนังสือหลวงพ่อเทียนหนึ่งเล่มหนังสือหลวงพ่อคำเขียนหนึ่งเล่ม ให้ไปอ่านอ่านเป็นแนวทางแล้วให้ไปปฏิบัติตามเอาไปปฏิบัติที่บ้านนะไปวัดไม่ได้ต้องเลี้ยงหลานอยู่ให้ไปปฏิบัติที่บ้านอ่านก่อนก็ยกมือยังไม่ถึกเลยนะคะสิบสีจังหวะยังไม่ถูกเลยแล้วที่นี่ก็พอกลับไปถึงบ้านเขาไปอ่านหนังสือพออ่านหนังสือหลวงพ่อเทียนเนี่ยเหมือนกับท่านเทศนั่นแหละท่านก็บอกว่าท่านเอาคอประกันเอาหัวประกันใช่ไหมคะถ้าผู้ใดตั้งใจทําจริงๆลงมือทําจริงๆ ถ้าทําแล้วสามเดือนเนีย่ยมาเห็นอะไรท่านก็จะให้เงินตามที่ท่านอานพูดอยู่ในหน้าหนาาังสือนะคะเหมือนกันในในหนังสือก็เหมือนกันแล้วที่นี่พอมาอ่านหนังสือหลวงพ่อความเขียนเนี่ยหลวงพ่อความเขียนบอกว่าตอนนั้นหลวงพ่อความเขียนยังไม่ได้บวชนะคะเป็นคารวะอยู่ท่านเขียนท่านท่านเขียนหนังสือตอนที่ท่านยังไม่ได้บวชท่านบอกว่ากระผมเนี่ยทํามาแล้วมาแล้วหลายอาทิตย์แล้ว กับผมไม่เห็นอะไรเลยก็ผมคงไม่มีบุญวาฒนาในหนังสือนะคะที่นี่ยายอ้วนแม่อ้วนเนี่ยก็เลยเอ๊ะใจว่าที่หลวงพ่อเทียนเอาเอาหัวประกันเนี่ยมันเรื่องอะไรอประกันเรื่องอะไรตอนที่หลวงพ่อเขียนบอกว่าทํามาแล้วหลายอาทิตย์เนี่ยท่านไม่เห็นอะไรคําว่าเห็นมันเห็นอะไรก็สงสัยว่าท่านเห็นอะไรกันเขาเห็นอะไรกันับจะลองทําดูว่าเขาจะเห็นอะไรกันเราจะเห็นอะไรไหมก็ลงทําดู ที่นี่พอลงทำลองลงมือทำเนี่ยวันที่สามนะคะวันที่สามเนี่ยลงมือทำการทำทำแบบไหนเลี้ยงหลานอยู่สามคนช่วงนั้นเลิกเลิกขายของพอดีเพราะว่าขายบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนเด็กนักเรียนเขาออกไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วที่นี่พอเขาปิดเทอมนี่ก็เลิกขายของพอดีก็เลยอ่านหนังสือก็เลยลงมือทำนะคะ สร้างจังหวะไม่ถูกจักงหวะเดินก็ไม่รู้จักว่าสติคืออะไรก็ไม่รู้เดินก็เดินไปเฉยๆสิบสี่เก้ายกมือก็ยกไปเฉยๆจังหวะก็ไม่ถูกสิบสี่จังหวะก็ไม่ได้ก็ยกไปเฉยๆเริ่มทําำเด็กสองคนเรียนอยู่อนุบาล น, นะคะหลานสองคนเรียนอยู่อนุบาลสองโมงเช้าก็ทําอาหารให้เขากินเสร็จเขาก็ไปโรงเรียนอนุบาลส่วนคนเล็กเนี่ยนอนอยู่ในเปนอนอยู่ในเปไปไม่ได้พอ ทำธุระงานบ้านฉิบสองโมงเช้าก็เริ่มนั่งสร้างเกี้วะเดินจมกรมอยู่บ้านคนเดียวนะคะสามีไม่มีลูกก็ไม่อยู่ด้วยอยู่กับหลานเท่านั้นเองไอตัวนี้แหะค่ะเป็นบุญเป็นวาสนาของแม่อว้วนที่ไม่มีลูกอยู่ด้วยที่ไม่มีสามีอยู่ด้วยถ้ามีคนใดคนหนึ่งอยู่ด้วยมีลูกสักหนึ่งคนมีสามีสักหนึ่งคนเนี่ยแม่อ้วนไม่ได้อะไรเลยคือไม่เข้าถึงทำมะของพระพุทธเจ้าเลยเพราะว่าอ่ากิตมันจะไม่นิ่ง เดี๋ยวก็อันนั่นเดี๋ยวนี่ใช่ไหมคะในครอบครัวเราใช่ไหมคะเพราะว่าไม่อ้วยอยู่คนเดียวก็นั่งสร้างแงหวะเดินโยกมฉลับกันไปถึงเพียงเด็กหลานคนเล็กเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาก็หาข้าวให้หลานกินกินอาหารเที่ยงพอบ่ายโมงก็เอาหลานนอนหลังจากเขานอนเสร็จก็ทําต่ออาจากหนึ่งมงไปถึงสี่โมงเยน หลานคนโตกลับมาจากโรงเรียนก็เลิกทำไปทำอาหารการกินให้เขากินเขานอนแล้วสองทุ่มก็ทำต่ อ, อทำต่อไปถึงสีทุ่ม ง, ง่วงนอนก็นอนใหญ่อวก็นอนอพอตื่นขึ้นมาตีสองเนี่ยนอนไม่หลับก็ทำต่อจากตีสองไปถึงสี่ไปถึงตีสี่ง่วงนอนใหญ่ั้วก็นอนอีกไปถึงหกโมงเช้าก็ตื่นขึ้นมาทำอาหารให้เด็กกินแล้วก็ทำอยู่อย่างนั้นนะคะ กินข้าวเวลาเดิมนอนเวลาเดิมทำแบบเดิมๆทุกวันทุกวันเริ่มต้นสองโมงไปถึงเที่ยงเริ่มจากบ่ายโมงถึงสี่โมงจากสองทุงถึงสี่ทุ่จากตีสองถึงตีสี่ทุกวันทุกวันจนกระทั่งว่าถึงวันวันที่เก้าวันที่เก้าเดือนเก้าปีเก้าเก้าโทรทัศน์ตอนนั้นยังดูอยู่นะคะยังดูโทรทัศน์อยู่เขาประกาศบอกว่า คอมพิวเตอร์จะเป็นอะไรในในโลกเนี่ยวันนั้นอะคะ่ะตอนวันที่เก้าเนี่ยดูโทรทัศน์อยู่แต่ตอนวันที่เก้าเนี่ยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตในการปฏิบัติธรรมพอตื่นขึ้นมาวันที่สิบนะคะเข้าไปซักผ้าที่ในห้องน้ำหลานนอนจิตพวกที่ไปโรงเรียนก็ไปเด็กตัวเล็กๆก็กอ็นอนหลับธุระ าางานบ้านเสร็จก็เลยเข้าไปซักผ้าที่ห้องน้ําตรงนี้แหละคะ่ะตรงที่เข้าใจชีวิตตัวเองเข้าใจรูปเข้าใจน้ําแยกรูปแยกน้ําได้ตรงกําลังซักผ้าอยู่นะคะสาภาวะธรรมที่มันจะเกิดเนี่ยมันไม่เลือกการและเวลาไม่เลือกสถานที่นะคะอะไม่อ้วนเข้าใจรูปน้าเข้าใจแบบยาน เข้าใจแบบยานปัญญาไม่ใช่เข้าใจด้วยการเรียนการรู้การอ่านมาไม่ใช่รู้จักรู้จำมาแต่เข้าใจด้วยยานทําทไมว่าเข้าใจด้วยย่านเพราะว่าไม่อ้วไม่เคยได้อ่านหนังสือไม่เคยได้ฟังพระเทศไม่เคยได้ไปปฏิบัติธรรมที่ไหนมามีแต่อยู่กับบ้านเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นทุกข์เ ท, กเท่านั้นแล้วที่นี่พอเข้าใจรูปนามเนี่ยมันเข้าใจด้วยควมรู้สึกนึกคิด มันเกิดด้วยจากญาณปัญญาที่มันเข้าไปรู้ของมันเองนะคะซึ่งซึ่งที่ไม่อ้วาไม่มีความรู้ที่จะไปรู้สิ่งนั้นเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังมานะคะการที่แยกรูปแยกนามเนี่ยอ่าญาติที่ตายนะก็เป็นลูกพี่สาวเกิดมาพร้อมกันพอเ้าตายแล้วก็คิดว่าตัวเองจะตายเพราะว่าในระหว่างเกิดวัน จากวันที่สามไปถึงวันที่สิบเนี่ยเกิดวันใช่ไหมคะในระหว่างปฏิบัติอยู่เนี่ยที่ไปเห็นศพเขานะ่ะหลับตาลมก็ภาพศพเขาขวางหน้าอยู่ลืมตาขึ้นก็เห็นเป็นภาพดําๆขวางหน้าอยู่ทั้งตลอดวันเลยนะคะก็คิดในความรู้สึกมันก็ผุดขึ้นมาว่าเขาตายแล้วเราต้องตายเขาตายแล้วเราต้องตายนะคะเขาตายแล้วเราต้องตายความคิดมันก็คิดอยู่อย่างนั้นแล้วที่นี่คอาคิดมากๆเนี่ย ระหว่างในคิดระหว่างคิดอยู่เนี่ยไม่มีสติเลยนะคะระหว่างคิดน่ยเพราะสติเนี่ยไม่เคยมีเกิดมาได้ห้าสิบปีช่วงนั้นอายุห้าสิบปีนะคะไม่เคยมีสติตัวความรู้ความระลึกได้เนี่ยไม่มีหรือสติปัญญายานไม่มีมีแต่เจติสัญชาตญาณนะคะแล้วที่นี่ตอนที่คิดว่าตัวเองจะตายอยู่เนี่ยมันก็มีคนสองคนพูดกันอยู่ในใจยายอ้วนเนี่ยมีมีคนสองคนพูดกัน ในความรู้สึกนึกคิดนะคะคนหนึ่งคือยายอว้วกพูดคนหนึ่งคือลูกสาวพูดยายอั้วกพูดว่าอ่าเขาตายแล้วเราต้องตายอ่าที่นี่อยายอว้วกก็ในความคิดนะคะก็พูดว่าถ้าถ้าแม่ตายแล้วเนี่ยให้เอาให้เอาไปเอาแม่เนี่ยไปรีบเอาไปเผานะลูกอย่าเอามาไว้บ้าน อาชาวบ้านเขาจะมาเห็นเขาจะขยับขยัง่งว่าศพเนี่ยศพซากหรือร่างกายเนี่ยลูกสาวก็ใ น, ในความรู้สึกนึกคิดลูกสาวก็พูดในความรู้สึกของยายอ้าาวยนะคะว่าอย่าเพิ่งเอาไปทิ้งเลยลูกคนอยู่ไกลเขาจะไม่เห็นอ่ายายอ้วกก็พูดขึ้นมาอันนั้นมันอ่ะมันไม่ใช่แม่หรอกเอาไปทิ้งเลยอันนั้นมันไม่ใช่แม่เอาไปทิ้งเลยแม่ไม่อยู่ตรงนั้นอันนั้นมันเป็นของเนอกของเหม็น อันนั้นมันเป็นเครื่องปฏิกูลโสโครมันเป็นของนอกของมินเอาไปทิ้งเลยแม่ไม่ได้อยู่ที่นั่นแม่อยู่ที่นี่แม่อยู่ที่นี่แม่อยู่ที่ความรู้สึกหรืคิดแม่อยู่ที่กิจวิญญาณแม่อยู่ตรงนี้แม่อยู่ตรงนี้ระหว่างในความชิดตรงนี้นะคะตอนนั้นไม่มีความเหมือนกับไม่มีเหมือนกับไม่มีความรู้สึกตัวเหมือนกับคนนอนหลับเหมือนกับ มันเป็นอาการที่บอกไม่ถูกนะคะมันเป็นอาการที่บอกไม่ถูกชีวิตนี้ไม่เคยมีอาการนี้เกิดขึ้นกับชีวิตเลยพอพอไอคําพูดที่มันพูดบอกมาว่าแม่อยู่ที่ความรู้สึกนึกคิดอยู่ที่กิจวิญญาณเนี่ยนั่งสักผ้าอยู่ยืนขึ้นกระโดดยืนขึ้นเลยนะคะตื่นว่าแม่ไม่ตื่นตื่นกายว่ากายเป็นของเน่าของเหม็น เมื่อก่อนนี้ไม่เคยรู้จักว่ากายเป็นของเน่าของหมิ่นพอเห็นกายว่าเป็นกายเป็นของเน่าของหมินเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเข้าใจว่าตั้งแต่เป็นกูนะคะเห็นกายเป็นกูเห็นใจเป็นกูพอมาพอคําพูดคํานั้นออกมาว่ากายเป็นของเน่าของหมินแม่ไม่ได้อยู่ที่ของเน่าของหมินแม่อยู่ที่ความรู้สึกนึกคิดแม่อยู่ที่กิจวิญญาณมันแยกออกจากกันเลยนะคะกายกับใจแยกออกจากกันก็ตื่นกายตื่นใจก็ยืนขึ้นทั้งยืนขึ้นยืนขึ้นมาแล้วก็มาทุกทวน กายกายเป็นของนอกของเหมินกายรูปร่างกายอ๋อ่มันมีตัวหนึ่งพูดผุดขึ้นมาในใจว่าอ่าร่างกายคือรูปประทัมมันผุดขึ้นมามันร้องออกมาในในในใ น, ในคอนะคะแล้วที่นีเ่เอาก็เลยคิดว่าเอา้ารูปร่างกายคือรูปประทัมตัวหนึ่งบอกว่ า, วาความรู้สึกนึกคิดจิตวิญญาณคือนามธรรมามันก็บอกออกมาเลย ตรงนั้นไอ้แยกคั่วเลยค่ะกายกับใจแยกจากกันเมื่อก่อนไม่รู้จักกายไม่รู้จักใจนะคะไม่รู้จักกายไม่รู้จักใจรู้แต่ว่ากูเป็นตัวกูนะคะเป็นตัวกูทั้งหมดเลยอะไรอะไรก็เป็นตัวกูถ้าปวดมาก็อย่ามาใกล้กูนะกูมโมโหนะเป็นตัวกูทั้งหมดเลยนะคะจากพอพอที่เข้าใจเข้าเข้าใจใกายเข้าใจใจเนี่ย ก็เลยมีตัวหนึ่งผุดขึ้นมาอีกว่าอ้าวกายเนี่ยมันแยกแล้วนะคะตอนนี้มันแยกแล้วนะคะในในระหว่างที่มันกําลังจะแยกอยู่เนี่ยความความรู้สึกของมิววะตัว น, นั้นอะเหมือนกับว่านอนหลับตื่นขึ้นมาเหมือนกับคนตายแล้วเกิดใหม่ พอเข้าใจพอแยกรูปแยกนามเข้าแยกกายแยกใจเนี่ยเหมือนคนตายแล้วเกิดใหม่เหมือนกับคนนอนหลับตื่นขึ้นเพราะเหมือนกับโลกมันหมุนชีวิตไม่เคยรู้จักกายไม่รู้จักใจมันเปลี่ยนเปลี่ยนสภาพกิจไปเลยนะคะกิจเปลี่ยนแปลงไปเลยทั้งทั่งที่ความทุกข์เนี่ย หนักๆติดกิตติดวิญญาณมาหลายภพหลายชาติหรือหลายตลอดห้าสิบปีอ่ะน้ำหนักน้ำหนักน้าหนักของความทุกเนี่ยมันหนักจะประเมินก็ร้อยกิโลนะคะความหนักของกิดหนักหน่วงหนักความหนักความทุกหนักทุกสิ่งทุกอย่างในในปัญหาชีวิตนะคะเหมือนกับร้อยกิโลที่นี่พอมาแยกรูปแยกนาเนี่ยความหนักหลุดออกไปห้าสิบกิโลมันเบากายเบาใจ เลี้ยวที่นี่มันมีตัวหนึ่งผุดขึ้นออกมาว่าเอา้ากายเนี่ยเขาต้องการแค่ปัดใจสีไอ้ตัวที่เขามันอยากได้อ่ามากๆที่มันอยากได้เกินคนอยากดีอยากเด่นอยา ก, ด, ยากดีกว่าคนทั้งโลกนะมันคือตัวไหนมันก็ถามกันอีกนะคะมันถามอยู่ในใจเนี่ยแล้วที่นี่มันก็มีตัวหนึ่งตอบบอกว่ า, วาไอ้ตัวใจใจเป็นตัวที่ ต้องการกายเขาต้องการแค่ปัดใจสีข้าวหนึ่งจานเสื้อผ้าชุดสองชุดเสนาสนะคือที่อยู่พักอาศัยนี้ก็พอเดหลบแดดหลบฝนและก็ยารักษาโรคเท่านั้นเองแล้วที่นี่ส่วนที่อยากได้มากๆมันก็บอกว่าคือใจทอพอพอรู้จักว่าใจเป็นตัวที่อยากได้มากๆทำให้ชีวิตทั้งชีวิตของยายอว้ววเป็นทุกมาห้าสิบปีเนี่ยร้องไห้เลยค่ะร้องไห้ ร้องไห้ทำไมโกรธให้ใจโกรธให้ใจว่าใจมันทำไมมันใจร้ายอย่างนี้นะคะทำไมมันจิตมันเป็นนายกายมันเป็นเบาทำไมไปทรมานกายขนาดนี้สงสารกายนะคะตอนนี้ยายก็ร้องไห้คนเดียวว่าใจเออใจถ้ามึงมีแขนมีขามึงกินได้ใช้ปิน่นต่อไปมึงไปทำมาเลยกูจะไม่ให้ร่างกายคนเนี้ยไปทำงานให้มึงอีกแล้วถ้าไม่จำปิ่นนะคะจากนั่นมาก็ สงสารไก่ไม่ไปทํางานหนักเลิกทําทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะขายของจากนั่นมาเลิกขายเลยตั้งแต่วันนั้นมาก็เลิกขายอันนี้ก็คือการพอเข้าใจรูปน้ำแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจธรรมชาติของรูปของน้ำเข้าใจทุกของอนนังอนิจจ์อนัตตาตามที่หลวงพ่อท่านอาพูดทุกวันนะคะเข้าใจเป็นขั้นเป็นขั้ น, เ ป, น, นเป็นขั้นไปก็จะไม่พูดนะคะ ก็จะไม่พูดเพราะมันยาวเข้าใจชีวิตเข้าใจรูปนามเข้าใจชีวิตจริงว่าชีวิตธรรมชาติชีวิตเป็นยังไงตั้งแต่อารูปนามอารูปธรรมนามธรรมรูปทุกนามทุกลูกโลภนางนามลูกทุกขังอันนี้จังอนาตาเข้าใจสมมติเข้าใจพุทธศาสนาเข้าใจเรื่องของกิจเนี่ยเข้าใจอันนี้เป็นสมมติบัญญัติอ่ะส่วนส่วน ปรามาัดบัญญัติคือเรื่องของจิตใจก็เข้าใจเหตุให้เกิดจิตหรือเหตุให้เกิดอารมณ์อ่ามาจากไหนอะไรทําให้เกิดอารมณ์อะไรทําให้เกิดเป็นทุกข์ทางใจเราก็เข้าใจอเกิดจากอดีตอนาคตปัจจุบันเข้าใจทุกอริยรรสัจสีเข้าใจปรมาัดตามขั้นตอนไปนะคะอันนี้ก็อันเข้าใจ สภาวธร oc, รมเตละสภาวะสภาวะขึ้นไปขึ้นไปตามระดับจะไม่พูดแต่จะพูดว่าชีวิตของเราเนี่ยที่เข้าใจมาเนี่ยเป็นทุกข์ทั้งหมดเลยมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในชีวิตของคนเราที่เข้าใจมานะคะมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วนี่ที่เราจะเข้าไปศึกษาทุกเนี่ยเราจะเอาอะไรเข้าไปศึกษาทุกในในชีวิตของเรานะคะ พระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติขึ้นไว้ว่าให้เจริญสติปัฏฐานสี่เข้าไปศึกษาทุกนะคะในในสติปัฏฐานสีเนี่ยทุกอยู่ที่ไหนนะคะทุกก็อยู่ที่กายทุกก็อยู่ที่เวทนาทุกก็อยู่ที่กิจทุ ก, ก็อยู่ที่ธรรม แล้วที่นี่จะเอาอะไรเข้าไปศึกษากายเวทนากิจธรรมก็เอาสติสติอยู่ที่ไหนคะสติก็อยู่ที่กายเวทนากิตธรรมเหมือนกันนะคะอยู่ที่เดียวกันเป็นทุกข์ก็อยู่ที่นั่นแล้วที่นี่สติที่จะเอาเข้าไปศึกษาทุกข์ในกายเวทนากิจธรรมเนี่ยจะเป็นสติ สัมมาสติหรือมิจฉาสติเราทำอย่างไรเราถึงจะเข้าใจว่าสติเป็นสัมมาสตินะคะเพราะว่าสติของคนเราเนี่ยบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าทำไมจะต้องเจริญสติเพราะสติของคนมีแล้วสติตันนั้นมันเป็นสติสัญชาตญาณนะคะสติสัญชาตญาณเนี่ยพ่อแม่เราให้มาเช่นเรากินไม่เป็นนั่งไม่เป็นนอนไม่เป็นเนี่ยพ่อแม่เราฝึกหัดไปใช่ไหมคะ จนกระท Simply, ano, <elly> ั่งว่าเรามาทํามาหากินเองได้เนี่ยคือสัญชาติญาณนะคะสติตัวนี้เอาเอาไปทํามาหากินเพื่อเอากายรอดนะคะเจริญเติบโตแต่กายใจไม่เจริญเติบโตไปด้วยนะคะสติตัวเนี้ยเป็นสติที่เอากายรอดจากทุกแต่ส่วนสติคือความระลึกได้หรือสติปัญญายัญที่เรามาทํากันเนี่ยเป็นสติที่พระพุทธเจ้าให้มานะคะสติตัวเนี้ยเป็นสติที่เอาใจรอดจากทุกนะคะ เพราะฉะนั้นสติที่พระพุทธเจ้าให้มาเนี่ยเราจะทำอย่างไรเราถึงจะรู้จักว่าสาตินั้นคืออะไรสติที่เป็นสติความเลึกได้หรือสติอปัญญาญานเนี่ยมันคืออะไรยกมือยกมือขึ้นมา14บสี่จังหวะมันเป็นสติ1 0ออเนแล้วเหรอยังค่ะยังยังยังไ ม, ยงไม่ยังไม่เป็นสตินะคะ จะเป็นก็เป็นแค่ครึ่งหรือห้เอร์เซนนะคะคือเรายกมือขึ้นมาเนี่ยยกไปคิดไปด้วยยกไปคิดไปด้วยเนี่ยความรู้สึกทางกายเนี่ยมันมีอยู่มันเป็นสัญชาตญาณแม้แต่เด็กเกิดมาใหม่ๆยังไม่ถึงสามเดือนหูตา ย, ยังไม่เปิดใช่ไหมคะเขาก็มีความรู้สึกนะคะใช่ไหมคะอันนั้นมันเป็นสัญชาตญาณมันเป็นความรู้สึกที่ทางกายนะคะ แต่ถ้าเรายกมือขึ้นไปเพียงสบสี่จังหวะเนี่ยถ้าใจไม่มารับรู้ในกายเคลื่อนกายหยุดเนี่ยมันจะไม่เป็นสัมมาสติถ้าสติไม่เป็นสัมมาสติสมาธิมันก็ไม่เป็นสัมมาสมาธิปัญญาก็ไม่เป็นสัมมาปัญญาการจะเอาไปแก้ทุกเนี่ยแก้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้นถูกเหตุถูกผลก็ผลลับก็ถูก นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาทำความเข้าใจกับสติให้ให้รู้จักสติจริงๆนะคะถ้าเราสติชัดเจนแล้วเนี่ยการเอาไปศึกษาเวทนาเวทนาที่กายการเอาไปศึกษาเวทนาที่จิตมันก็จะชัดขึ้นแล้วที่นี้การเจริญสติเนี่ยสติจริงๆนะคะ สติกิงกิงสติที่ไม่ว่าเข้าใจนะคะมไม่ใช่ว่าสติที่ ท, ทุกท่านทุกพระองค์เข้าใจนะคะแต่มันเป็นสติที่ไม่ว่าเข้าใจ ท, ที่ได้สัมผัสมาได้ปฏิบัติมาเมื่อก่อนเนี่ยขอโทษนะคะแม่ว่าก็เอายล่ออนไปแป๊บหนึง่ง ตอนที่ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยหลวงพ่อมาหาท่านไปที่ประเทศนอกท่านไม่ได้มาเมืองไทยไม่ว่าก็ปฏิบัติงมงมสาวสา ว, สาวเหมือนกับท่านว่าหางมเข็มในมาหาสมุทรนั่นแหละคะ่ะงมงมสาวๆา ว, าวปฏิบัติไปปฏิบัติไปไม่รู้เรื่องเวทนาไม่รู้เรื่องกิจไม่รู้เรื่องไก่ไม่รู้เรื่องทําเลยนะคะเวทนากิจทําไม่เข้าใจเลย ก็ปฏิบัติยกมือเอาสติสติอย่างเดียวสติอย่างเดียวแต่มันดีอีกอยู่อย่างหนึ่งว่ า, าฐานสติมันแน่นหลายปีกวดจะมาจืหลุงพ่อนะคะหลายปีอ่าพอมาเจื่อลุงพ่อหลุงพ่อก็มาลําเลียงวทนาไอกายวิถากิจ ธ, ธรรมก็เข้าใจมานะคะแล้วที่นี่สติเนี่ยที่แม่ว่าได้อ่าสัมผัสมาเนี่ยยกมืออยู่อย่างเนี้ยสองปียกมือไม่รู้จักว่าสติ คืออะไรยกไปใช่เฉยขนาดยกมือไม่ถูกจังหวะกิตวันก็เข้าใจรูปนามเพราะอะไรก็ไม่ทราบนะคะยกไปอีกไม่รู้จักว่าสติคืออะไรสองปียังไม่รู้เลยเอาเนึกว่าสิบสี่จังหวะมันเป็นสติแล้วมันก็ยังไม่ใช่พอหลังจากสองปีต่อไปเนี่ยเอาไปปฏิบัติธรรมตามส า, าสายงานยกมือไปอา้าวตรงนี้ก็รู้เอาตรงนี้ก็รู้เอารู้รู้สิบสี่จังหวะรู้แท้ ทุกจังหวะเลยนะคะเพราะมันได้พัฒนามันได้สะสมความรู้สึกตัวมาจากที่มันจากที่มันใจไม่ลงมารับรู้เมื่อก่อนยกมือไปคิดไปยกมือไปคิดไปคิดรู้ธรรมะคิดรู้มากเลยอ่าแล้วที่นี่พอจากสองปีไปแล้วเนี่ยยกแล้วรู้ตรงนี้รู้รู้ ร, รู้เป็นจังหวะรู้เป็นจังหวะรู้เป็นจังหวะเพราะฉะนั้น อ, อ่แม่อ้วนเนี่ยพูดธรรมะเนี่ยแม่อ้วนจะเน้นว่าให้รู้เป็นจังหวะรู้เป็นจังหวะนะคะถ้าไม่รู้เป็นจังหวะไม่รู้เป็นจังหวะเนี่ยถ้าไม่หยุดรู้ไม่หยุดรู้แล้วที่นี่จิตเรามันไม่หยุดนะจิตมันไม่หยุดคิดเป็นขณะเป็นขณะถ้าเรารู้เป็นจังหวะจังหวะเนี่ยจิตมามารับรู้ในตรงสัมผัสมือสัมผัสข า, าสัมผัสหน้าท้องสัมผัสหน้าอกเนี่ยให้สัมผัสจริงๆนะคะไม่ใช่ว่า ยกอย่างนี้นะคะไม่ใช่อย่างนี้นะคะถ้าอย่างนี้แล้วมือไม่สัมผัสเนี่ยจิตมันไม่เข้ามารับรู้กิจมันก็ออกชิดอยู่เพราะฉะนั้นความชิดไม่หยุดสติก็ไม่เกิดเพราะกิจไม่เข้ามารับรู้เพราะฉะนั้นเราต้องให้มันรู้เป็นจังหวะเป็นจังหวะความคิดมันก็จะหยุดเป็นจังหวะเป็นจังหวะเป็นขณะขณะเมื่อเรายกมือเคลื่อนขึ้นเคลื่อ น, อ น, อนลงเนี่ยกิจมันก็จะไหลอีกพอมันพอมันจะไหลพอมันมรู้ตรงนี้มันก็หยุดอีก อพอเราเคลื่อนขึ้นมามันก็จะไหลอีกพอเรามาหยุดตรงนี้รู้มันก็หยุดอีกมันก็หยุดเป็นขณะเป็นขณะขณะนะคะอันนี้คือสตินะคะถ้าสมมติว่าเรายกไปเดินไปใจก็ชิดลอยไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไม่เกิดสติเพราะมันกายกับใจมันไม่ได้มาอยู่ด้วยกันนะคะสติหมายถึงว่ากายกับใจอยู่ด้วยกันถ้ากายกับใจอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เป็น มิจฉาสตินะคะแล้วที่นี่จิตเราเนี่ยจะปฏิบัติธรรมในรูปแบบไหนก็ได้แต่ว่าเป้าหมายคือเราทําตะล่อมจิตให้อยู่กับกายอันนั้นคือวิปัสนานะคะไอ้ตัววิปัสนากายกับใจต้องไปอยู่ไปด้วยกันถ้ากายอยู่ทางหนึ่งใจไปทางหนึ่งมันก็ไม่เป็นวิปัสนาเพราะฉะนั้นจิตเราเนี่ยจะเปรียบเทียบนะคะจิตเราเหงัน้น ไม่ทราบว่าคนในเมืองกรุงรู้จักบัวควายที่บ้านนอกเขาเลี้ยงหรือเปล่าคะ่ะเคยใช่ไหมคะบัวควายเนี่ยถ้าปล่อยออกจากอคอกแล้วเนี่ยเขาจะไม่กลับบ้านนะคะเขาจะไม่กลับอคอกอีกต้องมีคนไปตามคอยตอ้อนเข้าคอกนะคะเขาถึงจะเข้ากีดเราก็เหมือนกันไปตัวตะล่อมกีดให้เข้ามาที่ก่ายเนี่ยคือตัว14จังหวะเป็นจังหวะจริงๆ มันถึงจะตล่อมกิจเข้ามาหาที่กายได้เจตล้อมทุกุกจังหวะทุกจังหว ะ, หวะถ้าจังหวะนี้เราก็ไม่ดูจังหวะนั้นก็ไม่ดูกิจใจมันก็ออกไปออกไปมันก็เลยไม่เป็นสมาธิง่ายอ่าสติไม่เกิดสมาธิไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดจะเอาอะไรไปแก้ปัญหาใช่ไหมคะแล้วจะไปรู้อะไรอาทันอารมณ์ที่มันจะเกิดใช่ไหมคะอันนี้คือเป้าหมายนะคะคือเป้าหมายตัวแล้วที่นี่สติเนี่ย การที่จเจริญสติเพื่อจะให้เข้าใจรูปเข้าใจนามแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามเพื่ออะไรเพื่อจะให้ถ้าไม่แยกรูปไม่แยกนามเราจะไม่รู้จักว่าเวทนาทางกายเป็นความรู้สึกทางกายหรือเวทนาทางกายเนี่ยเป็นอันเดียวกันนะคะความรู้สึกทางกาย คือเป็นลักษณะไหนความรู้สึกทางใจเป็นลักษณะไหนเวทนาทางกายเวทนาทางใจเป็นลักษณะไหนเราแยกไม่ออกพอเราแยกไม่ออกแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อเราแก้ไเแยกรูปอยงนางไม่ออกเวทนาเกิดเราก็ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักกายเราก็ไม่รู้จักเวทนาถ้าเราไม่รู้จักเวทนาเราก็ไม่รู้จักกิจถ้าเราไม่รู้จักกิจเราก็ไม่รู้จักธรรมเพราะฉะนั้นเราต้อง มาทำความเข้าใจกับรูปกับนามเพราะมีสติที่ว่านี้นะคะ14จังหวะเนี่ยมันถึงจะไปแยกรูปแยกนามได้พอแยกรูปแยกนามเนี่ยจะเข้าใจความรู้สึกไหนที่เป็นรูปที่เป็นนามความรู้สึกที่เรายกมืออยู่ในขณะในขณะนะคะมันอยู่ด้วยกันทั้งรูปทั้งนามให้เราสังเกตว่าความรู้สึกไหนที่เป็นรูปความรู้สึกไหนที่เป็นนามถ้าเราแยกออกแล้วเนี่ย เวลาเวทนาเกิดเนี่ยเราจะทันเวทนานะคะว่าเวทนาทางกายเวทนามันเกิดทางไหนเวทนามันเกิดทางกายนะคะจิตเนี่ยไม่ทุกนะคะถ้ากายไม่เกิดเวทนาเวทนาทางจิตเนี่ยมันจะไม่ทุกเลยเพราะฉะนั้นจิตที่มันเกิดหรือจิตที่มันทุกเนี่ยมันเกิดมาจากกายก่อนนะคะกายเกิดทางไหนเช่นเรานั่งสร้างจังหวะใช่ไหมคะ เกิดทางขายใช่ไหมคะเกิดตามหลังตําตัวใช่ไหมคะเกิดเวทนาแล้วถ้าเราไม่แก้ไขบําบัดเวทนาก็จะเชื่อมเข้าหากิจนะคะกิจมันก็จะหนักกิจมันก็จะดิน้นหลวงพ่อเลยก็ท่านก็เลยให้สองนาทีสมนาทีห้านาทีใช่ไหมคะอ่านั่นคือป้องกันไม่ให้กิจเกิดเวทนาเพื่อจะไม่ให้เวทนาจากทางกายเชื่อมเข้าหากิจนะคะแล้ที่นี้อ่าอันนี้คือ อ่าที่ที่ที่เกิดเวทนาทางกายอีกจุดหนึ่งนะคะอีกจุดต่อไปนะคะเวทนาทางกายเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นทางอ่าทางขาอ่าทางลําตัวทางปวดนี่นะคะมันจะเกิดจากละเอียดก่อนอ่เริ่มล่ะตึงๆใช่ไหมคะเริ่มล่ะต่อไปก็พัฒนาไปก็มากขึ้นเป็นกลางใช่ไหมคะต่อไปก็เป็นหยาบ ตัวหยาบเนี่ยมันเชื่อมก็ไปหา ก, กิดเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะกิดก็จะหนักกูปวดกูกิดไม่มีสติเลยใช่ไหมคะแล้วที่นี่ส่วนที่เวทนาจะเกิดขึ้นทางหูตาจมูกลิ้นเนี่ยมันจะเกิดตัวหยาบก่อนแล้วก็ผ่อนลงมาที่กลางจนกระทั่งลงไปละเอียดนะคะอันนี้คือเวทนาเกิดทางหู ทางตาจมูกลิน้นกายนะคะแล้วที่นี่ท่านบอกว่าอ่ามีแต่ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นเวทนาก็คือทุกใช่ไหมคะมีแต่ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกเกิดที่ไหนทุกเกิดที่กายเกิดที่กายไปตั้งที่ไหนเคยได้สวดใช่ไหมคะเนี่ยว่าท่านว่าไงนะอืมเกิด ขึ้นที่ที่ไหนก็ดับที่นั่นเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นอะไรจำไม่ได้นี่แหละค่ะแต่ว่าเวทนาเนี่ยเกิดขึ้นที่กายนะคะเวลาตั้งไปตั้งอยู่เวลาตั้งจะไปตั้งที่ไหนตั้งอยู่ที่กิดนะคะเวลาดับจะไปดับที่ไหนเพราะไปที่กายดับที่กิดก็ไม่ได้เพราะว่ากิดเนี่ยไม่มีตัวตนดับไม่ได้เช่นว่าดับที่กายดับที่กายเช่นว่าเราปวดขา ปวดขาเราก็เปลี่ยนอิเลียบทก็ดับที่ขากิดก็ไม่หนักใช่ไหมคะถ้าเราไม่เปลี่ยนอิเลียบดกิดหนักอ่าที่ไปดับกิดก็ดับไม่ได้ต้องดับที่กายใช่ไหมคะทีนี้ทางเข้าทางตาจมกูกจะให้ดับที่ไหนดับที่ตาก็ดับไม่ได้ที่จะหูก็ดับไม่ได้ถ้าให้หลับตากิดมันก็เป็นทุกข์อยู่อ่าถ้าให้ดับอุดรูหูใจก็เป็นทุกข์อยู่ใช่ไหมคะ ดับดับที่นี่ดับหูดับตาดับไม่ได้แต่ดับได้ที่กายเหมือนเดิมเข้าทางหูตาก็ดับที่กายดับที่ตรงไหนดับที่ตรงนี้นะคะดับที่เวทนาเข้าหูตาจมูกเนี่ยดับที่ตรงนี้นะคะสิบสี่จังหวะนะคะตัวเป็นตัวดับถ้าเราสร้างจังหวะเนี่ยความทุกข์ที่เข้าทางหูตาเนี่ยมันจะดับนะคะมันจะดับดับตรงนี้นะคะอันนี้ก็หมายความว่า การที่เราจเจริญสติให้มีสติเพื่อจะเอาเข้าไปศึกษากายเวทนากิจธรรมแล้วที่นี่ถ้าเราแยกความรู้สึกหรือเวทนากายเวทนากิจเนี่ยไม่ออกมันก็มันจะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยมันเหมือนกับ นักมวยนักมวยชกกันอยู่บนเวทีนักมวยไม่มีกรรมการแยกนักมวยก็จะชกกันพันกันอยู่ไม่ออกใช่ไหมคะตัวใจกับกายก็เหมือนกันถ้าไม่มีสติเข้ามาเป็นตัวฉนวนเป็นตัวที่สามเข้ามามาเป็นตัวกั้นระหว่างเป็นฉนวนกั้นระหว่างกายกับจิต อาการของกายของจิตไม่ให้เข้าไปร่วมกันนะก็เหมือนกับนักมวยไม่มีกรรมการแยกบนเวทีแล้วที่นี่พอพออาการของกายเกิดขึ้นจิตก็มาตู่กายว่ากูเก็บกูปวดนะใช่ไหมคะจิตจิตเป็นตัวมาตู่เอากายว่าเป็นกูนะคะเวลาใจมันมีปัญหาใจโกรธกายก็แสดงตามใจ หน้าบึง้งหน้าแดงตาขวางเลยใช่ไหมคะอันนั้นคือสองอย่างมันพันกันเหมือนกับนกมวยพันกันนะคะถ้าเราไม่มีสติตัวที่เรามาทำเนี่ยจะไม่มีตัวไปแยกนะคะแล้วที่นี่ถ้าเราแยกเวทนาเนี่ยแยกใจแยกกายไม่เป็นเนี่ยระหว่างเรายังไม่เก็บไม่ป่วยอยู่เนี่ยเราก็ยังแยกไม่ได้เวลาเราจะตายล่ะเวทนามันจะหนักไหมเราจะเอาอะไรไปแยก เวลาเราตายเหรอเราแต่ตั้งเป้าไว้ไหมว่าเราจะไปที่ไหนนะคะถ้าเราแยกไว้ได้เนี่ยเราก็ตกนรกเกิดอีกละค่ะและ้วทีนี้เราก็ต้องอันที่เราปฏิบัติทำเนี่ย ม, มันเป็นคําที่ท่านว่าว่าไว้ว่านะคะอ่าเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนเต่งนะคะการที่เราเจริญสติเนี่ยคือเราเตรียมตัวก่อนตายถ้าสมมุติว่าเรากําลังจะตายเนี่ย เราไม่มีสติรู้สึกตัวแล้วก็เป็นผู้ทุกข์ดิน้นดิ้นดิ้นมากๆใช่ไหมคะเป็นทุกข์มากมใช่ไหมคะติตั้งไม่ได้จำว่าบอกว่าให้เจริญสมมติว่าแม่เราจะตายเนี่ยไปบอกว่าแม่แม่ตั้งสตินะตั้งสตินะจะตั้งยังไงเพราะว่าไม่เคยรู้จักสติใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ตายฟรีไปเฉยๆเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมเพื่อเราจะเอาไปใช้ ชีวิตประจำวันแล้วก็เมื่อเราจะลมหายใจนะคะอันนี้คืออาการอาการศึกษาธรรมะแล้วที่นี่การที่แม่อว้วได้ศึกษาธรรมะมาเนี่ยแม่อว้วไปใช้กับชีวิตได้อย่างไรใช่ไหมคะแม่อว้วก็พาลูกพาหลานมาปฏิบัติธรรมตอนนี้ลูกตั้งแต่ ขวบ ก, กว่าอุ้มอย่างนี้นะคะไปวัดเวลาทําวัดนี่ก็เอานอนไว้แล้วก็เอานมให้ให้กินกัวร้องกวนอ่าเวลาทําวัดแล้วที่นี่จนกระทั่งว่าตอนนี้เขาเขาเรียนเก่งนะคะเรียนเก่งได้ทุนหมดได้ทุนอ่าตอนนี้ก็ติดแพทย์ไปก็มีปีนี้ติดแพทย์อชีนักลินขอนแก่นนะคะแล้วก็ <c oughs> ส่วน หลานเนี่ยที่พามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเด็กวัยรุ่นในสังคมโลกใช่ไหมคะจะมีการเที่ยวการไปเป็นหมู่เป็นเพื่อนกับผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมคะไม่มีค่ะยายอ้ว่าเมื่อกวันเนี่ยไปปฏิบัติธรรมนะคะอาพาพาหลานไปปฏิบัติธรรมถึงเวลาสี่โมงเย็นเนี่ยอาการปฏิบัติธรรมจะเลิก ห้าโมงเขาให้ไปร่วมกันอีกในระหว่างชั่วโมงหนึ่งเนี่ยหลานสี่คนสามคนเนี่ยยยอ้ว่าจรีรีบรๆๆรเอาคนนั้นเอายี่ยนคนนี้เอายังงจัดการจัดการจัดการกลัวไม่ทันเวลาใช่ไหมคะมีคนเขามาอทักยายอ้วบ้ายายอ้วเนี่ยเลี้ยงหลานไม่เป็นยายอ้วบังคับหลานเกินไป ฉันก็เคยเรื่องหลานเหมือนกันทําไมเจ้าบังคับหลานเจ้าขนาดนี้ยายอ้วกก็บอกว่ า, ว า, วาเอ อ, เ อ, อก็ไม่เป็นไรนั่นะอันนี้อันนี้มันเป็นหลานฉันถ้าสมมุติว่าหลานฉันเนี่ยโตขึ้นมานะ่ะมันไม่ดีก็ยายอ้วนี่แหละจะเป็นทุกข์ถ้ามันดียายอ้วนก็จะเป็นสุขตอนนี้ยายอ้วนเนี่ยไม่มีความทุกข์กับลูกหลานในเรื่องสังคมลูกเลยนะคะไม่มีนะคะอันนี้คืออั น, นิส้ทรที่การเจริญสติแล้วที่นี่การเจริญสติ อของเม่อ้วที่เอาไปใช้กับครอบครัวนะคะตอนนี้แม่อ้วนก็เมื่อก่อนก็ช่วยหลวงพ่ออยู่หลายปีนะคะช่วยหลวงพ่ออยู่หลายปีพอต่อมาไม่ทราบว่ามันมันเป็นเพราะบุญเพราะกรรมอะไรก็ไปทำสถานที่ปฏิบัติปิดส่วนตัว เล็กๆน้อยๆนะคะเป็นบ้านนี่แหละเป็นบ้านอยู่ที่บ้านตัวเองแล้วก็มีศาลามีที่ปฏิบัติมีบ้านพักเล็กๆอ่ะอาจารย์ช่วยนะคะคงจะรู้จักอาจารย์เล็กใช่ไหมคะไม่รู้จักใช่ไหมคะก็มีคนกรุงเทพเนี่แหละไปช่วยก็เลยได้เป็นสถานที่ขึ้นมาก็พาลูกพาหลัดปฏิบัติทุกวันนะคะลูกทั้งหลานทั้งลูกสาวทั้งลูกเขย ปฏิบัติอยู่ด้วยกันตอนกลางวันเขาก็ไปธรรมะกินตอนเย็นตอนเช้าก็มาทําวัดกันวันเข้าวรรษาหรือว่าหยุดหลายวันอย่างเช่นสงการเนี่ยให้เขาหยุดเลยให้เขาหยุดอไม่ใช่ให้เขาหยุดค่ะขอโทษเขาหยุดหลายวันใช่ไหมคะให้เขาเข้าเป็นคอดเลยใหญ่สอนลูกสอนหลานสอนธรรมะเหมือนกับหลวงพ่อสดเนี่ยเป็นคอดเป็นคอดอย่างเงี้ยเริ่มแรกจากสติ มาสติรู้จักรูปรู้จักเวทนารู้จักกิจรู้จั ก, จกทมตามระดับมาเพราะว่ายายอ้วกสอนอยู่ที่นั่นก็ลงรายละเอียดเป็นรายวันวันแรกคือสติวันที่สองคือรูปเวทนาทำตามระดนี่แหละค่ะแล้วที่นี่เมื่อก่อนเนี้ยลู ก, ล, กลูกสาวนะคะ ลูกหลานเนี่ยหลานไม่เป็นไรเพราะว่าได้ธรรมะเข้าไปตั้งแต่เด็กแต่ส่วนลูกสาวเนี่ยเขาไม่ได้ธรรมะจากจากแม่เลยเพราะว่าแม่ไม่มีธรรมะตอนนั้นนะคะเขาก็แนวความคิดเขาก็ไปในสังคมโลกหมดพอย้ายว่ากับไปบ้านหรือว่าไปอยู่ที่กับลูกกับกับลูกลูกสาวลูกเขยเนี่ยมันก็มีปัญหานะคะคนเรามันมันมีป ที่ลูกสาวยายอั้วก็มีปัญหาแต่ว่ายายอั้วก็สามารถที่จะเอาธรรมะที่ได้อบรมบ่มกิจไปเนี่ยมีความอดทนสู้และก็มีอ่าคําอะไรที่จะพูดให้เขาเข้าใจแล้วก็ให้เขาใจเข้าใจเขาเชื่อฟังเขาก็ปฏิบัติตามแล้วเขาก็ที่เขาไม่ดีกลายเป็นคนดีกลายเป็น แนวความคิดไปทางเดียวกันตอนนี้ก็อ่าตอนกลางวันทำมาหากินอแล้วตอนเย็นหรือวันที่ไม่ได้ทํางานปฏิบัติทำกันส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติทุกวันนะคะมีคนไปปฏิบัติด้วยก็ยายวัวก็ผ่าปฏิบัตินะคะอันนี้คืออาสติที่เรามาฝึกนะคะไม่ใช่ว่าฝึกไปปฏิบัติทำแล้วให้ไปอยู่วัดตลอดก็ไม่ใช่ อันนั้นเป็นเรื่องของผู้ที่ท่านไม่มีพร ะ, ร ะ, ะแล้วแต่ถ้าพวกเราที่มีพร ะ, ร ะ, ะอยู่เนี่ยคือเรามาทําความรู้สึกตัวให้กายกับใจมันคุ้นเคยกันให้มันเคยชินกันเพื่อที่จะให้มันชินเคยชินเมื่อเวลาเราไปใช้ชีวิตประจําวันในหน้าที่การงานเนี่ยให้เราลึกรู้อยู่ทุกขณะว่าขณะนี้เราทําอะไรขณะนี้เราคิดอะไร ยายว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ดูอย่างนี้แหละค่ะดูทั้งกายดูทั้งใจดูทุกอาการที่มันเกิดขึ้นในการทําการทํางานดูทั้งดูทั้งกายเคลื่อนดูทั้งใจนึกคิดอยู่ทั้งวันอยู่อย่างงั้นแหละค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ติดอยู่แต่พอมาอ่าปีที่ผ่านมาหลวงพ่อก็ขึ้นไปจัดคอตที่เคียงราย ก่อนหลวงพ่อไปจัดไม่ว่าก็ไปจัดก่อนหลวงพ่อก่อนหลวงพ่อเกีดวันพอยาวอ้วจัดอเกีย ด, ดเสร็จหลวงพ่อก็ไปจัดสอนพวกยายไปสอนให้ดูเวทนาพอไปเข้าใจเวทนาตอนนี้เนี่ยตอนนี้มีอะไรมามันมีเหมือนเดิมนะคะการกระทบทางหูตาจมกูกเล้นกายใจเนี่ยมันมีเหมือนเดิมแต่มันไม่ติดสบายนะคะเมื่อก่อนมันติดอยู่พอมันมีการกระทบเข้ามามันยังมีหนัก นิดๆหน่อยๆ ห, หรือหนักมากๆ ม, มันยังมีอยู่นะคะตอนนี้ก็เลยไม่กลัวเวทนาเลยมันจะมาหนักขนาดไหนรู้จักแล้วว่ามันไม่ติดนะคะมันหนักมันตัวหนักมันมีแน่นอนเบาก็มีแน่นอนมีนะคะแต่มันไม่ติดอ่าที่ดูหลวงพ่อเทียนในหลวงพ่อเทียนก็จะสาธิตท่านเอาอก้อนดินโยนเสษฝาเนี่ยมันติดเลยอ่าหมายความว่ากิจเวทนาหรือกิเลสตัหาเรายังมีเยอะอยู่นะคะอะอะไรมา มันก็เข้าไปสุกิจเป็นอารมณ์ไม่พอใจขึ้นมาเลยอันนั้นคือติดถ้าท่านเอาเล็กโยนใส่ฝามันก็เกิดหนอกไอ้ตัวสติที่ลราพัฒนาไปมากๆหรือว่าเราเข้าใจตามขาบวนการของกฎของไตรลักษณเนี่ยวิทนาหรือทุก์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกระบวนการเขาเขาเริ่มต้นจากไหนเขาเคลื่อนไปอย่างไหนเข้าไปยังไงยังไงเนี่ยพอเราเข้าใจอย่างเนี้ยอะไรเกิดมามันก็มันติดน้อยค่ะมันติดติดนิดเดียว อ่าหรือไม่ติดก็มีนะคะก็สังเกตไปสังเกตไปอย่างนี้แล้วค่ะอันนี้ก็คือการอั น, นิสงส์ที่เราที่การเจริญสตินะคะเพื่อจะเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันอย่างนี้แหละคะ่ะวันนี้ก็คงจะสงวนใช่ไหมคะมีใครมีปัญหาอะไรไหมคะเราก็ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังอ น, นิสงนนส์งส์ก่อนฟังมีห้อย่าง ได้ฟังสิ่งที่มึงไม่เคยฟังสถึงที่ได้ฟังแล้วก็จแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้น 3. ามทำให้จิตของผู้ฟังแจ่มใส 4. ี่ทำให้ความคิดเห็นตรงอันที่5เกิดสัมมาธิธินะราะนั้นเองเราฟังถ้าเรารู้จักคัดกรองก็หมายความว่าจะได้อันนี้สงห้าอย่าง เพราะว่าบางทีเราไม่ได้ฟังที่ภาษาและคาพูดแต่เราฟังที่ใจของท่านาใจของท่านต้องการเสื่ออะไรให้กับเราเป็นผู้ฟังเนี่ยแล้วอ่านที่ใจอ่านที่ความรู้สึกบางทีภาษาของพอทุทยนเนี่ยเราฟังรู้เรื่องบ้างแต่ไม่รู้เรื่องบ้างแต่เราเข้าใจหลวงพเทียนเข้าใจสิ่งที่ท่านพูดเล้วธรรมะแบบงเรื่องอธรรมะจิตสูจิตไม่ใช่คาพูดสูหู ดูที่ความตั้งใจนั่นเองก็เราปฏิบัติก็เหมือนกันคืออ่านอ่านกายให้ออกบอกกายให้ได้ใช้กายให้เป็นเห็นใจให้ชัดจัดกายให้ถูกและอ่านใจให้เป็นเห็นใจให้ชัดจัดใจให้เป็นเห็นใจให้ชัดจัดใจให้ถูกแล้วก็สามารถปลูกในสิ่งที่เราต้องการลงไปได้นี่คือมาทำตัว กายกับใจเนี่ยให้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้อยู่ด้วยกันให้ได้แต่ส่วนใหญ่ที่เรามีปัญหาคือกายกับใจไม่ได้อยู่ด้วยกันกายอยู่ที่นี่ใจไปอยู่ที่อื่นแต่มันไม่ได้ไปร้อเร์เ์หรอกมันก็ไปสมมติว่าเราคนธรรมดานี่ก็จะท่าใจอยู่ขอผมว่าก็อยู่อีกแบบหนึ่งมันไม่ได้อยู่แบบเข้าใจ มันอยู่แบบผิวผิวผืวผวผวผวนผน่ะแต่คําว่าอยู่แบบถูกต้องคืออยู่เข้าไปในใจนะหมายความว่าเอาสติเนี่ยเข้าไปในใจเรียกว่าเข้าใจแต่ถ้าหากว่าเอากิเลสเข้าไปในใจนี่เรีว่าไม่ใช่เข้าใจนะมันเข้าไปในความคิดเข้าไปในอารมณ์เข้าไปในวัตฏะ สงสารทําให้เราไม่เข้าไปถูกใจเข้าไปในอารมณ์ก็ทําให้เราเป็นทุกข์เพราะตัวนั้นแต่อสสจิเข้าไปในใจนี่มันก็จะเห็นกายนะเห็นกายทั้งหมดถ้าแต่หัวจะหดเท้าเนี่ยเห็นส่วนไหนมันกําลังร้อนเห็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงส่วนไหนกําลังเจ็บกลงปวดส่วนไหนก็สบายหรือไม่สบายนั่นสิ่งที่ไม่อ้วกกล่อมาทั้งหมดไม่เจติหูและไม่ใช่ผิด แต่ว่าอยู่ที่ว่าเราฟังถูกหรือฟังผิดท่านนเด้งนะถ้าฟังถูกคือฟังสาธว่าฟังฟังแล้วก็เข้าใจแต่ไม่ได้เข้าใจเป็นคมพูดเข้าใจเป็นความรู้สึกเหมือนกันถ้าพูดพูดด้วยความรู้สึกนะดังนั้นในส่วนที่พวกเราปฏิบัติกันอยู่ก็ไม่ได้หวังว่าจะเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อพูดหรือบอกร้อยเปอร์เซ็นตะี่ แต่ว่ามันเหมือนกับหวานหนะวานพืชเอาไว้สักวันหนึ่งที่มันได้น้ำได้ปุ๋ยได้ความชุม่มด้วยความอุดหภูมิทดดีโอ่ดีแล้วมันก็จะค่อยงอกงามขึ้นมาเองถ้าหากว่ า, มาแมลงแมงมดไปขนไม่ขนไปกินซะก่อนนะถ้าแมงมดขนไปกินซะก่อนก็หวานไปก็ไม่งอกนะดังนั้นขอให้เราตั้งใจเพราะว่า การปฏิบัติธรรมที่จะเข้าใจได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาแต่ขึ้นอยู่กับสมาธิฏฐิจะเกิดเมื่อไหร่เท่านั้นเองที่เราทําเยเพื่อเตรียมพร้อมให้เกิดสมาธิฏฐินี่เพราะฉะนั้นเราไม่ได้นับเป็นการเวลาได้มันอาจจะช้าหรือจะเร็วก็ได้อาจจะวันนี้พรุ่งนี้คืนนี้ก็ได้อาจจะปีนี้หรือปีหน้าหรือชาตินี้ชาติหน้าไม่สามารถจะรู้ได้แต่รู้ได้ว่ามีความพร้อมเมื่อไหร่เหมือนเราปุก ต้นมะม่วงหนึ่งต้นเนี่เราคำนวณเวลาได้ไหมไว่าตั้งแต่วันปลูกไปถึงวันที่เท่าไหร่มะม่วงต้นนี้จะออกรูปเราได้สุกได้กินเนี่ยสามารถเซ็ตเวลาตายตัวได้ไหมไม่ได้บางทีถ้าเราเซ็ตเอาไว้ปถึงเวลานั้นมันไม่เป็นก็มีใช่ไหมอันนี้คือเหตุปัจจัยความพร้อมของเหตุปัจจัยเนี่ย มันอาจจะเกิดก่อนที่เราเซตเวลาเอาไว้หรือมันอาจจะเกิดหลังนั้นหรือมันอาจจะไม่เกิดก็ได้แต่เมื่อเหตุปัจัยมันพร้อมแล้วมันก็เกิดขึ้นในชั้นชั้นใดก็ดีสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติณาวันนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีให้ทราบแต่เราทำเหตุปัจัยให้มันพร้อมเสมอนะเราหวังผลแต่เราไม่ได้สร้างเหตุที่ถูกต้องผลหวังเท่าไหร่ก็ไม่ได้ แต่เราไม่ได้หวังผลแต่พยายามสร้างเหตุที่ถูกต้องผลที่ไม่หวังก็เกิดขึ้นดังนั้นเองก็เช่นเดียวกันไม่ว่าเราจะมีเวลาไม่มากแต่ถ้าเรามีความพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่เกิดนะไม่ใช่ว่าพยายามทำอย่างเดียวนะพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่กำลังเกิดแล้วตอนนี้ผมกำลังเบือ่อทำความเข้าใจกับสิ่งที่กาลังเบือ่อเพาความเบื่อเป็นอย่างไร อันนี้ผมกําลังง่วงก็ทําความเข้าใจกับความง่วงที่มันกําลังเกิดว่าความง่วงเป็นอย่างไรอันนี้ฉันกําลังคิดฟุ้งซ่านก็พยายามทําความเข้าใจในสิ่งที่เรากาลังฟุ้งว่าความฟุ้งเป็นอย่างไรนี่คือความพยายามนั้นนั่นจริงจะบอกได้ว่าไม่ใช่พยายามปฏิบัติแต่พยายามทําความเข้าใจสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นเข้ยาใจได้ไหมได้นะ โอเคถ้าเขาใจ้ได้โอเคนี่เดี๋ยวจะจบไม่ได้เราเผากัน